มันจะทําให้เกิดประโยชน์ไหมอ่ะมันคิดมันพูดมันทําขึ้นมาแล้วทําให้เกิดความร่ํารวยในทางที่ชอบโอยอย่างนี้คิดในเยอะๆคิดแล้วยิ่งรวยคิดแล้วยิ่งรวยขึ้นมาในทางที่ชอบอย่างนี้คิดเยอะๆคิดแล้วมันทําให้พ้นทุกคิดแล้วทําให้สิ้นกิเลสตัณหาคิดแล้วทําให้พ้นทุกคิดแล้วทําให้จิตใจมีความสงบร้วยเย็นนั่นคิดให้มากคิดให้มากปฏิบัติให้มากพูดให้มากทําให้มาก แต่การคิดการพูดการการะทำอะไรก็ตามที่มันทําให้จิตใจของตัวเองไม่สงบร่มเย็นมันมีความสงบร่มเย็นอยู่ดีๆก็ไปหาเรื่องคิดให้มันทุกข์ซะงั้นแหละหาเรื่องคิดให้มันทุกข์หาเรื่องคิดให้มั น, ใ, มนในทางที่มันเป็นไร้สาระไม่เป็นประโยชน์คิดทั้งวันการคิดการพูดการการะทําเราก็ต้องคอยสังเกตดูตลอดเวลาว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เนี่ย แมันไม่มีประโยชน์มันไร้สาระก็ตัดใจมันจริงๆอะตัดใจกว้าวางทิ้งเงินไปเลยเพอาะมันคิดึ้นมาก็มอยากจะพูดอยากจะทำก็มันไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ควางทิงมันไปทันทีเลยตัดใจอย่าไ ป, ไปเอือ้อไปจะไปเอื้อมันอย่าไป อ, าอะไรเอาวานมันตัดใจต้องมันตัดใจตัดใจตัดใจตัดใจค่อยมาพิจารณาเอา วันพระเกตเอานะแล้วทุกคนก็จะมีแต่ความสุขความเจริญดุ่งเรืองนั่นแหละเพราะอะไรเราก็คิดการคิดกับผููกระทำของเรามันก็ทําให้ตัวเรามีแต่ความเจริญอแต่ความสุขความเจริญในทางโลกมีความสุขความเจริญในทางธรรมคือความพ้นทุกข์จะคิดอะไรเอากิเลสตัณหามาเป็นไฟเผาใจตนเองส่วนใหญ่เราไม่เคยได้พิจารณานนะอืม เราคิดทั้งวันพูดทั้งวันทาอะไรทั้งวันแต่เราไม่ได้พิจารณาว่ามันทำให้เราได้เงินได้ทองในทางที่ชอบมามันทําให้เราเนี่ยสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งสอบทํำอะไรทางที่ดีๆได้สอบอะไรได้คือทํางานมีช่องทางทํามาหากินในทางที่สุดจริตหรือว่าคิดแล้วมันทาให้เราเนี่ยค้นทุกข์มีความสงบ่มเย็นเราก็คิดมันมากพูดแต่มันมากทําแต้มันมาก มันก็มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสําเรณ์แบอะเนี่ยเราก็สังเกตดูดีถ้าเราทำในสองธรนทมันจะสมบูรณ์ได้ไง ก, ก, การคิดกับพุกระทําของเราทําให้เสื่อมโลกสเสื่อมธรรมมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆการคิดกับพุทธะธรรมของเรามันทําให้มีความสมาเรณ์ในทางโลกทางธรรมมันก็สําเร็จลงไปเรื่อยๆมันก็อยู่ตรงที่เราแต่ละคนนี่เนี่อยู่ที่เจ้าตัวเองไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยทุกคนเนี่ยมัามบุญวาสนาบารมีสังสมขามมันมาตั้งแต่ขามพบขามชาติมานานแต่การหลายพบหลายชาติ ไม่ใช่ชาติเดียวหรอกที่สร้างกันเนี้ยมันชาติสร้างกันมาเนี่ยบาป ก, กรรมก็สร้างกันมาหลายชาติบุญกุศลบา ร, รมีก็สร้างกันมาหลายชาติเกิดมามันจึงได้ดีมีสุขค้นทุกข์ไม่เท่ากันมียศถาบรรดาศักดิ์มีทรัพย์สินเงินทองมีครอบครัวลูกหลานที่ดีมีตำแหน่งลาบยศมีคาถาบริวารที่ดี เหล่านี้ล้วนแต่สร้างบุญบารมีคุณงามความดีมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวนะสร้างกันมาเป็นลอยลอยล้านชาติบาปกรรมก็สร้างกันมามันจึงไม่เท่ากันเนี่ยคเราเกิดมามันจึงมีความเป็นอยู่ไม่เท่ากันมีความทุกข์ความสุขมีความสะดวกสบายไม่เท่ากันเพราะนั้นเน่อดีตมันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราแก้ไขในอดีตไม่ได้ อห้แก้ลงในปัจจุบันปัจจุบันแก้ไขได้อดีตมันผ่านไปแล้วมันรู้จะแก้ยังไงมันข้ามมาพบข้ามชาติมาหลายชาติบาปกรรมก็ทําไปแล้วบุญบา ร, รมีก็ไม่ได้สร้างบา ร, รมีสิ่งแต่สร้างเข้าบา ร, รมีสิบสร้างเข้าทุกชาติทุกชาติอันเนีน้สร้างได้สร้างได้ตลอดเวลาบา ร, รมีสิบก็มีอะไรแหละหัวขอของบา ร, รมีสิบก็คืออธิษฐานบา ร, รมีสัจจบา ร, รมีเหมือนแผนอธิษฐานเน่ะ แผ่นที่นนี้ไม่ไดเอามาให้สิทิ้งวิที่เชียงใหม่หมดเลยเนื่ก ว, ว่าอาติลดมาบ้างแต่มันมีอยู่ในลายนะมีอยู่ในลายเดาเอาเอาเข้าไปในลายแล้วก็ปิีนออกมามีอยู่สี่แผ่นหัวหอของบารมีสิไม่ว่าจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จเป็นพระอาหารหันตสาวกไม่ว่าจะเป็นพระมหาราชจากัจกรพรรดิยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาวสักกะเทวราชพระอินทร์พระพรหมพญายมราช ไม่ว่าจะเป็นเป็นใหญ่ในชั้นใดไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นจอมทัพเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเป็นฟอร์คาเป็นมหาเศรษฐีร่ลำรวยอะไรต่ตางๆเนี่ยรู้แต่สร้างบา ร, รมีสิบมาทั้งนั้นแหละสร้างบา ร, รมีสิบไม่มีใครไม่ผ่านบา ร, รมีสิบบา ร, รมีสิบก็ะไดแก่เนี่ยหัวหอของบา ร, รมีสิบก็คือสัจจะบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีสองสองบา ร, รมีแล้วนี่เป็นหัวหอกใหญ่เป็นตัวสําคัญ จะทำอะไรก็ต้องตั้งใจจริงตั้งใจจริงนี่เราตั้งใจเองเนี่ยมันจะล้มเหลวได้เราก็เอาพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าเป็นพยานเนี่ยกราบพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้านที่นี้ก็มีเยอะมากเลยว่าทำพ ร, พระฤรษิ์สงฆ์พ่อแม่ครูบาจารย์ตั้งสัจจะอธิษฐานว่านับแต่นี้ไปต้นไปจะละบาปแล้วบาปกรรมเนี่ยทำมาหลายภพหลายชาติแล้ว จะถึงกว่าได้ถึงในชาตินี้ก็ทํำมาเยอะผิดศีลผิดธรรมอ่ะต่อไปนี้จะละบาปแล้วสํานึกผิดแล้วจะละบาปอันนี้คือความดีอันสูงสุดนะทำความดียังไงจะไม่ละบาปมันจะไม่ใหญ่ความดีจะทําจะละบาปแล้วต่อไปนี้จะละบาปร่างกายวาจาใจคิดอะไรที่จะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนจะไม่เอาแล้ะต่อไปนี้จะไม่คิดอะไรที่จะทำให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอีกต่อไป ก็ไม่คิดมันก็ไม่พูดด้วยมันก็ไม่กระทําด้วยมันให้มีเจตนาตั้งแต่ตั้งไว้ในใจว่าต่อไปนี้จะไม่คิดไม่พูดไม่กระทําอะไรที่เป็นการที่เบียดเบีย น, นตนเองและผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ว่าตัดเล็กตัดใหญ่เราจะไม่เบียดเบียนกันอีกต่อไปเนี่ยเราตั้งใจแบบเนี้ยโอ้มีบุญใหญ่ามากเลยเท็บเดียวดาอินพรมเดมยาณาพุทธประพุทธประธรรมประสงประแม่ปูบาจาระครุ่นหมดเนี่เออรับรู้หมด ไปอยู่ในธรรมชาติในะจกักรวาลรอบตัวเรานี่แนะไม่ว่าใกล้หรือไกลเพียงใดก็รับรู้หมดแล้วเ น, นี่ทัดหัวหอกอันแรกคือตระแจาริษฐานก็ได้ตระจริษฐานวันนี้แล้วอย่างอื่นก็จะสําเร็จหมดอ่ะเพราะว่าการจริงๆนะการเจรละบาปแล้วก็คิดดีต่อไปก็คิดดีผดดู้ดีทําดีเมตตาตนเองและเมตตาผู้อื่นเมตตาตนเองอย่างไรล่ะเมตตาตนเองก็คือการคิดการพูดการกระทาอะไรก็ตามที่จะทําให้ตัวเราเองเป็นทุกข์เดือดร้อน ก็อย่าไปคิดอีกการกระทําอะไรที่ต้องมาตำหนึกเสียใจในภายหลังอย่าไปคิดจะไปพูดไปอยากระทํามันทําแล้วจะต้องไปเสียใจขึ้นมาในภายหลังอย่าทำซะเลยดีกว่าพุทธองค์ตัดไว้เอามันพลาดไปแล้วมันผิดไปแล้วก็เอาตำหนึกเสียใจขอเข้ามาซะก็่พอพุทธพอทำพอสงค์เราพลาดไปแล้วพลาดอีกแล้วเอออธิษฐานสจาัจจะแล้วก็พลาดไปขอเข้ามาทุกครั้งที่พลาดไปเ อ, อแล้วก็ ไปเคยไปสาบแช้งใครก็กดถอนซะเอาค่าไปยาบาทใครก็ให้อภัยเมตตาให้อภัยซะเนี่ยมันก็แผนในแผนทิฏฐานสีแผนเนี่ยไปแปลทิฏฐานก็เราก็จะดีอสัจจะบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีเอนี่ก็สองข้อแล้วต่อไปก็ขันติอดทนเรื่อว่าจะมีความทุกข์เดือดร้อนลําบากใครกันอำอะไรกันเราแบบยังไงก็ตามอดทนอดกั้นให้ได้อย่างที่สัจจะอธิษฐานให้ไว้ก็เรียกว่าขันติบา ร, รมี นีม่มีเมตตาตนเมตตาผู้อื่นไม่ทําให้ทุกข์เดือดร้อนกับเมตตาบา ร, รมีไม่ต่อไปเมื่อตามตั้งใจถานแล้วไม่สามผิดสีผิดถามก็เป็นศินบา ร, รมีเยเป็นทานบา ร, รมีต่อไปก็ไอการที่เราสละกิเลสเป็นทานเนี่ยเป็นทานอรูปทรงไม่จำเป็นต้องมีเงินทองมากมายเป็นมหาศาลที่จะไปทําทานได้การที่เราตั้งใจสละกิเลสเป็นทานเราให้อภัยเป็นทานต่อไปเนี่ยครูบาอาจารย์ขอเราก็จะให้และให้อภัยเราเก็บ ชำน้าใจแกนเครืองค้า่งคาผูกใจเจ็บนาค่าพยาบาทผู้ใดเราก็จะให้อภัยหมดแล้วให้อภัยหมดอันนี้เป็นให้อภัยทานสูงส่งมากนะดีกว่าให้เงินทองอีกให้อภัยทานเออแล้วก็สละกิเลสเป็นทานอันนี้สูงส่งมากไม่มีเงินทองก็สละได้สละกิเลสเป็นทานสละบาปกรรมเป็นทานไม่ทําอีกแล้วโอ้อันนี้บุญใหญ่อทานนี่ไม่เีย่ว่ามาถึงเรามีเงินไปทําทานอย่างเดียวนะอทานคือสละกิเลสเป็นทานเนี่ยให้อภัยเป็นทาน เราโกดแกนแกนเกืองค้างคาปวดเจเจ็บอาคาดพยาบาทใครน้อยเนื้อต่ำใจใครไม่เอาละต่อไปนี้วาจาันขอเลิกและวเลิกเลิกเลิกไม่เอาละไม่เอาลต่อไปนี้ก็จบกันดีเคยมีกรรมเวียนตอกันมาอย่างไงก็หมดกันจบกันเพียงแค่นี้ให้อภัยาทานแล้วก็สละความบาปกรรมสละบาปกรามที่ตัวเองได้ทำมาแล้วทั้งหมดเป็นทาน ในต่อไปในอนาคตก็จะไม่ทําอีกเรียกว่าสละกิเลสออกไปเป็นทานสละบาปกรรมเป็นทานโอ้บุญใหญ่นะทําได้อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะครบหมดแล้วเนบรารมีสแบบิแบบเนี้ยแต่สั จ, จบรารมีอธิษฐานบรารมีเมตตาบรารมีขันติบรารมีศีลบรารมีทานบรารมีอุเบกขาบรารมีเนี่ยพอให้อภยัยหมดแล้วก็อุเบกขาแล้วใจก็อุเบกขาไม่คิดกับแกงใครใจก็เป็นอุเบกขาบรารมีแนละ้วไม่ติดไปกับอะไร ก็เป็นอุเบกขาบารมีใจก็สงบลบเย็นเป็นสมาธิบารมีเป็นปัญญาบารมีแล้วเนี่ยคนทําได้อย่างนี้ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาบารมีเนี่ยแล้วก็เนคคำว่าบารมีก็ทํออ า, ทาให้ตัวเองอับพ้นทุกปัจจัยตัวเองพ้นทุกมันทุกอยากลำบากมาแล้วหลายอย่างหลายประการมันจะได้พ้นทุกทันทีชีวิตก็จะได้มีความสมความเจริญเจ้ากรรมในเวรกระแผ่ไม่ตายเขาเขาจะได้โหติกรรมเราก็ชีวิตก็ไม่มีอุปสรรคนี่เกิดจะทําอะไรทั้งโลกทั้งธรรก็วิ่งจิ้วไม่มีอะไรมาขัดขวาง อบาปกรรมทํามากมันก็ขัดขวางเหมือนรถวิ่งในกรุงเทพแบบติดๆก็กัดกัดมันไปไม่ได้มิแต่กําลังมันไปไม่ได้มันติดต่อให้กำลังรถดียังไงก็ตามอะบาปกรรมทําไม่มากมันก็ติดมันรถติดมันก็ไปไม่ได้ชีวิตมันก็ไม่หลับลืงบารมีทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากนี่แน่ใจเราทั้งหมดเลยสรุปแล้วบารมีติดเนี่ยมันมออกมาจับใจ มันทําไม่ยากหรอกมัต้องเสีเยับงเงินทองมากมายออกมาจากใจทั้งหมดเลยบลารมีสิบเรากล้กาไหมล่ะกล้าที่จะให้สัจจะสาบานต่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัจจะอธิษฐานต่อพระพุทธธรรมพระสงค์ต่อครูบาอาจารย์เราจะไม่ผิดสัจจอะอออย่างเงี้ยแล้วเราก็จะผิดสั จ, จนะมันพลาดทางไปไงก็ขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษพระพุทธเจ้า ขอโทษเพรตามใบยศของกรูบาอาจารย์ like, costs, ที่เราพูดที่เราล่วงเกินขอโทษขอโทษจากใจจริงๆอย่างเงี้ยเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆจริงไรไม่ดีจริงไรบกพร่อง ม, มก็จะหลุดไปหลุดไปหลุดไปพ้นไปพ้นไปเราก็จะดีขึ้นไปดีขึ้นไปดีขึ้นไปจนเหนือดีเนี่ยเหนือดีคืออะไรเหนือดีคือทําดีก็ไม่ติดดีนะอทําดีทําดีก็แค่ได้ทําดีคิดดีพูดดีทําดีช่วยเหลือเกื้อกูลตัเองให้พ้นทุกข์ช่วยเหลือคนเกื้อกูลคนอื่นทังโลกตัวเองก็ประสบสาเร็จมาสูงสุดแล้ว ทำทำตัวเองก็ตําเไดจสูงสุดก็ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นช่วยเหลือชเกื้อกคนอื่นถ้าถึงช่วยได้ทําความดีก็ไม่ติดดีไม่ปรารถนาที่จะเอาความดีจากใครที่จะให้คํามาตอบแทนทําความดีก็แค่ได้ทําความดีมีความสุขใจที่ได้ทําความดีไม่คิดจะทําความดีกับใครแล้วก็จะให้คํามาตอบแทนอะไรไม่คิดว่าจะเอาความดีไปทําอะไรปรารถนาความสิ้นทุกคนทุก ติดกิเลสปัญหาอย่างเดียวอันนี้เป็นความดีอันสูงสุดคือเป็นความดีที่ไม่ปฎิฐานะอะไรเป็นความดีที่ไม่ปฎิฐานะจะเอาอะไรเป็นความดีที่ปฎิฐานะความสิ้นกิเลสเป็นความดีเพื่อความสิ้นกิเลสเพื่อความสิ้นทุกข์ติดกิเลสมันก็สิ้นทุกข์กันแหละอันนี้เป็นความดีอันสูงสุดเรียกว่าเหนือดีทำความดีแล้วก็ไม่ติดดีส่วนบาปก็ละบาปกรรมชั่วก็ทิฏฐานแล้วก็ตั้ตั้งสัจจะแล้วก็ทำมาตลอด ทำความเพียนมาตลอดไม่คิดไม่พูดไม่กระทําในทางบาปกรรมชั่วทางกายวาจาใจเมตตาตนเองและเมตตาผู้อื่นให้พ้นทุกข์ทาให้มีความสุขความเจริญทั้งโลก ท, ทั้งธรรมอันนี้แนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่เมตตาตนเองเมตตาตนเองขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนที่สุดแล้วบาปกรรมก็ได้ทำมัละมันจนหมดสิ้ น, นในชีวิตความดีก็ทําความดีจนถึงที่สุด ทำความดีตลอดเวลาคิดดีพูดดีทำดีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเท่าตนเองและผู้อื่นในทุกทุกให้มีความสุขความเจริญความดีก็ทําให้หยุดจนกว่าสิ้นลมหายใจสุดท้ายความดีนั้นก็ไม่ปรารถนาจะไปทําอะไรอีกไม่ติดดีนั่นแหละเรียกว่าเหนือดีขึ้นไปอีกจนถึงที่สุดคือความพ้นทุกข์คือความสิ้นกิเลสตานาักสิ้กิเลสตานัก็สิ้นทุกนั่นเองขอให้ทุกคน ได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้มีวาสนามาเจอกันก็นถือว่าเป็นบุญกุศลได้เคยร่วมกันมามีวาสนาต่อกันจึงได้มาเจอกันได้มาฟังทำต่อกันได้ปัสนาจะยิ่งสูงขึ้นไปเมื่อนำหลักธรรมคาสอนไปประพฤติปฏิบัติให้ได้จริงสมจริงพระพุทธองค์ก็จะชื่นใจ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะชื่นใจตัวเราเองและวครอบครัวทั้งหมดเพื่อนรวมงานเจ้านายลูกน้องอยู่ด้วยกันก็จะชื่นใจมีความสุขใจครอบครัวก็จะมีความสุขมีความล่มเย็นมีความเจริญเราเป็นพ่อเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นพ่อเป็นแม่ทำให้เป็นแบบฉบับทำต้นให้เป็นแบบฉบับลูกหลานมันก็จะเอาอย่างเป็นแบบฉบับ ชีวิตในครอบครัวก็พากันมีความสุขความจเจริญรุ่งเรือง น, น, นะข้ออำนาจและอรรถภาพอนัพอนมีสุดมาจ า, จากพระพุทธคุณจากพระพุทธคุณธรรมคุณภาษาคุณพระคุณบิดามารดาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดบุญบัลลัที่ทุกคนได้กระทำมาแล้วทั้งหมดจนโดนบันดาลที่บารักษาให้ทุกๆท่านให้ปลอดปลอดภยัยเกิดข้าจะพยายามอะไรต้งโปรงให้มีความสุขมีความเจริญพ้นจากทุกพ้นจากทุกขติพ้นจากทุก ไอ้คนจากความทุกข์กายทุกใจอ้รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยเธอ